จิตใจของเราก็เลยไม่ต้องการอะไรแล้วก็อยากจะให้ให้ในสิ่งที่มีขึ้นในตัวเราคือให้สิ่งของบริจาคสละไปเลยเนี่ยไม่อยากจะเก็บเอาไว้สักอย่างเดียวได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจก็อยากจะแบ่งปันประสบะการณ์เรื่องราวต่างๆที่เราได้เคยประสบมาและทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะประสบะการณ์นี้ก็อยากจะแบ่งปันอยากจะบอกเขา ให้เขาได้อันไปคิดพิจารณาดูว่าถ้าทำานี้แล้วเราทำให้ใจของสบายหรือเปล่าอันนี้คืออยากจะแบ่งปันอยากจะแบ่งปัน๋ยวจะสละให้